ชาวิสัญชนาคม ก, กับท่านหลวลงตาณรงค์ขีนาโยตอนศัทธาต้องประกอบด้วยปัญญาเขาไปสร้างนิพพานไว้ตามอิสานเพื่อสำหรับประกอบด้วยตัวเองเสร็จแล้วก็โดนพวกพิมีชิิพลมาแย่ง แย่งของเขาไปแล้วไล่เขาออกจากสที่เขาสร้างเขาก็ไม่โกรธนะแต่ก็เห็นว่าสิ่งที่เขาสร้างเนี่ยมีประโยชน์คนอยากได้เขาเลยสร้างอีกไปสร้างตรงที่อื่นอีกเออกระโดดไล่อีกแยกอีกเขาก็สร้างอีกกระโดนแยกอีกเขาก็เห็นมีมีประโยชน์เกาเลยสร้างสร้างไปเรื่อยๆคนก็ว่าเขาเนี่ยเหมือนกับว่าเขาเป็นคนบ้าเขาเลยสร้างตามริมทางเรื่อยไปเลย ไอ้คนได้พักแล้วก็เห็นประโยชน์ว่าคนก็เลยมาพักพักปุ๊บเขาก็เห็นว่าเออเขาควรจะเอาน้ําเอาอะไรมาให้ไว้คนขณะเดินทางในภาคฝนได้กินเขาก็เลยเอาน้ํามาใส่ไว้ให้เตรียนมน้ําเอาอะไรมาเครื่องอำนวยความสะดวกมาไว้ให้ไอที่บางอย่างที่เขาผลคนที่เดินทางไปไกลจะพอได้ใช้ได้พักเขาก็ทําเงี้ยไปเรื่อยๆเขาก็ค่อยๆทําไปเท่าที่กําลังก็จะทําได้ค่อยๆทาไปไม่เหน็ดไม่เหนื่อย ใครจะแยกเขาไปเขาก็ไม่ว่าเขาเห็นว่ามีประโยชน์เออดีดี ด, ดีคนตั้งหลายพี่แรกก็ว่าเขาแตละหลังคนทั้งหลายเห็นว่าเออกิมนเป็นประโยชน์เนี่ยที่เขาทาเนี่ยมีคนเห็นด้วยก็เลยเริ่มมีคนค่อยๆมากระมาสมทบเขาทีละคนสองคนสามคนมาช่วยเขาเรื่อยๆก็เลยช่วยกันมากขึ้นเรื่อยๆมีคนอิจฉาเป็นผู้ใหญ่บ้านอิจฉาเขาบอกว่าเขาต่องสมโจน เพราะว่าเขาเริ่มมีชื่อเสียงคนเริ่มสรรเสริญยกย่องเขาก็เลยว่าเขาเนี่ยท่องสูงโจรไปกาบทุนห้องเต้ไปกับทุนกับพระมหากษัตริย์พระมหากัตริ์ก็ไม่ได้ฟังความอะไรสั่งทหารมาจับจับเสร็จเอาไปฝังดินไว้ไอ้โผ่าเอาไปฝังดินไว้แล้วก็ทั้งหมดเลยโดนฝังดินไอโผโผลตัวนะ ผมมาครึ่งตัวหรืองไงเนี่ยแล้วก็ไล่ช้างไล่ช้างตกมันช้างให้ไล่ช้างมาเหยียบช้างที่ดุร้ายมากไล่มาเหยียบชายหนุ่มคนเนี้ยขนาดถูกเขาทำถึงขนาดเนี้ยก็ยังไม่โกรธอีกและยังบอกทุกคนในที่นั้นว่าเราอย่ากโกรธช้างที่มาเหยียบเรานะ อย่ากโกรธคนที่ไปฟ้องพระราชาอย่ากโกรธพระราชาด้วยเพราะเขาไม่รู้เขาเป็นมีอวิชชาเขาไม่รู้อย่าไปโกรธเขาให้แผ่เมตตาให้ช้างแผ่เมตตาให้พระราชาแล้วแผ่เมตตายังแผ่เมตตาเขาอีกแผ่เมตตาให้คนที่ไปฟ้องพระราชาช้างมันวิ่งมาต้องก็มาสุดลงและงวงร้องอ่งวงทำความเคารพอยู่นั่นแหละ พระราชาก็เลยแปกใจไล่ตีเท่าไหร่มันก็มายอมมันไม่ยอมมันไม่ยอมฆ่าพวกนี้พระราชาก็เลยบอกว่าเห็นคนเยอะมันคงจะกลัวก็เลยเอาเสือลังแพนมาคุมมาคุมคนเหล่านี้แล้วไล่ช้าง ม, มาใหม่ช้าง ม, มันวิ่งมาถึงมันก็ร้องใหญ่แล้วมันก็ทำความความรบอีกพระราชาเลยงงว่าทำไมเป็นไปได้เลยเรียกมาไต่สวนความจริงมันอาจจะไต่สวนตั้งแต่แรกนะ เล ย, ยเรียกมาไต่สวนเลยได้ความจริงว่าอ๋อถูกแก้มีแต่คนเหล่านี้มีแต่ทําความดีแบบนี้เองช้างเลยไม่ทําร้ายแม้ช้างจะมาทำร้ายก็บอกว่าอย่าไปโกรธช้างนะแผดเมตตาให้ช้างอย่าไปโกรธพระราชาเพราะพรราชาไม่รู้จะเมตตาพระราชาแผดเมตตาพระราชาคนที่ไปฟรร้องพระราชาเขาจะมาเขาก็ไม่รู้เขาจะไปฟรร้อง เขาไปได้เอาวิชาีเกิดความอิจชาหรือสัยญาจะไปโกรธเขาพระราชาใ ต, ต่สวนแบบนั้นแล้วก็เลยโอ้นี่เขาทําแต่ความดีก็เลยเสื่อเหตุผลถ่ายถอนความผิดของตอนเองก็เลยให้แบับให้พวกรัต้นเงินทองไปไ ป, ไปสร้างสลาต่อให้พวกในไปสร้างศ์ลาต่อแล้วก็ให้ช้างตัวนั้นไปด้วย ไอ้ช้างเรืองนันไปพวกนี้ก็ยังมาขอต่อพระราชาว่าขอให้ให้ยกโทษให้ให้อภัยแก่เอผู้ใหญ่บ้านเนี่ยที่ไปฟ้องพระราชาเนี่ยไม่โกรธถึงขนาดเนี้ยพระราชาจะลงโทษทหารเรื่องมาเงิทูนผู้ใหญ่บ้านเนี่ยยังไม่โกรธเลยอคิดดูสิเห็นไหมว่าเราเนี่ยยังไม่ครึ่งของเขาเลยอ่ะความดีอ่ะเห็นไหม เรานี้นิดหน่อยเราก็าโกรธแล้วนิดหน่อยแล้วก็โมโหแล้วความดีที่เราทําเนี่ยยังไม่ยังไม่ถึงกับเหนื่อยยากลำบากของเขาเลยแล้วท่านเหล่าเนี้ยก็ เ, เลยสร้างไปเรื่อยๆจนถึงแก่ความอชีวิตเขาก็หลังจากที่กว่าตายไปแล้วทุกคนเนี่ยเมื่อถึงแก่ความตายไปแล้วสช้หนุ่มคนเนี้ ย, ก, ย, นนยก็ไปเกิดเป็นเท้าสักกะเทวราชไปเป็นพระอินทร์เออเดีวยวก่อนเออเออเออเอเ อ, เอ แต่หนุ่เดียก็ไปเกิดเป็นพระอินทรบริว า, ททาว ร, ท, ออ ร, าราววทั้งหมดเนี่ยก็ไปเกิดเนี่ยเป็นท้าวิษณุกรมที่เป็นช่างก่อสร้างเนี่ยเป็นท้าวิษณุกรมที่ในลิมิตรของเสือแหงงานเนี่ยแล้วก็มีพวกช่างทั้งหมดเนี่ยไปเกิดหมดเลยไปเกิดเป็นพุกเป็นช่างเป็นอะไรเป็นเทวดาที่มีฤทธิ์อยู่บนสวรรค์แล้วช่างตัวนั้นเนี่ยเมื่อตายแล้วที่ช่วยก่อสร้างเนี่ยตายแล้วก็ไปเกิดเป็นช้างเอราวัณสามเสียร เนี่ยเพราะอะไรก็เพราะบารมีสิทธนี่เนี่เพราะบารมีสิทนี่เนะี่ยบารมีสิทธิ์นะี่เนี่ยขันติบารมีเนะมตตาบารมีเทานบารมีที่ทําออกจากใจเนะี่ยมันจึงได้ไปยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเนะ่ยเห็นไหมเนี่ยเวลาตายจากพระอินแล้วแบบนั้นแล้วพวกที่ร่วมสร้างด้วยเนะี่ยมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นจักรพรรดิเลยไปเป็นจักรพรรดิเป็นมหาเศรษฐีเป็นจอมทัพนังปราชญ์พวกพิบ利วานก็มายิ่งใหญ่กันทุกชาติ แล้วหลังจะตายแล้วจากโลกมนุษย์ก็ไปเกิดบนสวรรค์สลับไปสลับมาางเงี้ยจะบรรลุอรหันต์ไปในชาติใดชาติหนึ่งเออเอานักงามความดีที่เราทําลองนึกดูว่าเทียบกับคนอื่นเป็นยังไงบ้างครับทุกคนเนี่ยมีความปรารถนาปลายทางไม่เหมือนกันเราจะไปเลือกให้เขามาเดินทางเที่ยวกับเราก็ไม่ได้เขาปรารถนาเช่นนั้นจะสร้างบารมีสร้างบุญบา ร, รมีคุณงามความดีไปเรื่อยๆเราปรารถนาความพ้นทุกข์ ปรารถนาจะช่วยเหลือผู้อื่นในพันทุกข์มันเป็นความปรารถนาที่แตกต่างกันไปมันก็อยู่ที่ปัญญาของแต่ละคนปัญญาที่จะปรารถนาความพันทุกข์ปัญญาแต่ละค น, นก็ไม่เหมือนกันชอบก็ไม่เหมือนกันอาหารที่กินเนี่ยก็ไม่เหมือนกันออันนั้นเป็นเรื่องของเขาอก็กไม่ส่วนเสร็ของเขาทำให้ติดมนถึงใจเรามาว่ามันทํำให้ละความที่เหนียวจับใจเราไปได้เมื่อก่อนนี่หลวงตาก็เป็นอย่างนี้แนะ่ เราจะทําบุญเสียดายทำบุญในฐานเสียดายก็ทําอร้อยหนึง่งพราะมันมีมีมากพอจะทำห้าร้อยเนี่ยเสียดายมากเลยก็มไม่เคยทําแล้วพอเริ่มทำห้าร้อยบาทได้เพื่ออะไรก็เพื่อว่าตัดความสันอกทีเดียวในใจต้นถ้าแค่นี้ตัดไมได้ไปตัดในอื่นได้ไง ควรจะทํำ500บาทได้ครั้งหนึ่งแต่ก็หมายถึงว่าเจนาว่าสิ่งที่ควรควรจะทำก็ทำ500เช่นสร้างโรงพยาบาลสร้างอะไรที่เป็นสาธารณประโยชน์ทำไป500เพราะต่อไป500ได้เวลาจะควักพันหนึง่ง ย, ยากมากเพราะว่าเรามาอยู่ที่ฐานะ แ, แต่ละคนเป็นเหมือนกันเราเป็ น, นาการจัดการรายการทำทีพันหนึ่งมันก็ ไม่ใช่ในน้อยควักพันหนึ่งโอ้ยยากมากเลยเราจะทำได้แต่พอทำได้แล้วพันหนึ่งก็เรื่องเล็กพอมาทำหลายพันก็เรื่องเล็กทุกวันนี้ทำทีหลายหมื่นทุกวันนี้ทำทีหลายแสนทุกวันนี้ทำทีหลายล้านแล้วไม่มีเงินเลยไม่ได้จับเงิน เ, เนี่ยแต่ละว่าเราช่วยสร้างมา้ีว่าทั้งหมดแล้วรู้กี่ล้านเนี่ย ไม่รู้สึกเสียดายเลยแล้วไม่รู้สึกว่าเราจะมีอะไรแล้วรู้สึกจะเอาอะไรไม่ได้ทําเพื่อจะเอาอย่างอย่างเอที่เราพูดถึงคนคนนั้นน่ะเขาอาจจะเอาก็ปรารถนาความเป็นอในภพชาติต่อไปเขาจะได้ไปเป็นเทวดาไปได้ล้ำรวยเกิดเป็นมหาเศรษฐีลํารวยไปทุกชาติอแล้วเขาก็มีความหวังของเขาแล้วแต่ว่าใคาจะหวังอะไรแต่ถ้าเราเนี่ยเราไม่หวังอะไรเราไม่เอาอะไรเราอาจจะ เราหวังอยู่อย่างเดียวคือไม่มีกิเลสสิ้กิเลสนั้นเราเอาเราทําออกไปเพื่อไห้สิ้นกิเลสไม่ได้ทําไปเพื่อเอาจะเอาอะไรแม้แต่จะเอาพยายามไม่สิ้นกิเลสพยายามไปกิ เ, กเลสเลยพยายามแต่เราไปตั้งใจอย่างนั้นจริงๆคือเราทําแต่ใจของเราให้มันสิ้นกิเลสสิ้นกิเลสอย่างนั้นแล้วแต่ว่าความหวังความปรารถนาของคนมันเหมือนกั น, น, e นมันไอความดีกับเหมือนกันแน่ใหม่แล้วทําความดีแบบนี้อุ้ยมันทาได้ยากพอเราเคยทาความดีแบบนี้แล้วเราก็ขยับต่อไปขยับต่อไปขยับเข้าไปสีแรกมันก็เป็นความดีทั้งแค่การกระทําทางกาย ต่อมาก็การหักหามวาจาก็ยากขึ้นไปอีกนฮะเรืองแรกมันก็ทากายไม่พอพื้ติดสิทธิธรรมต่อมาทางวาจาไม่พอพืติดสิทธิธรมก็ยากขึ้นไปอีกคนที่ปากเร็วพูดเร็วใจเร็วนี่ยยากขึ้นไปอีกโอ้ยแป๊บมาพูดออกไ้แล้วแล้วก็ไปเสียหายคือแป๊บมันจะไม่พูดในสิ่งที่ทำหนีน้เสียนินทาว่าไลยคนอื่นแป๊บไปแล้วมันจะไม่พูดเสียสี ก, กระแทกแดงดันคนอื่นแป๊บไปแล้ว มันเร็วมากก็คคนที่ปากเร็วเนี่ยมันก็เลยยากมากต้องไปขอเข้ามาต่ อ, อพระพุทธศาสนาพระสงฆ์กราบขอเข้ามาต่ อ, อพระพุทธศาตนาพระสงฆ์ของแม่ครูบาอาจารย์ผู้ที่เราร่วมเกินหลายครัง้งหลายครัง้งตั้งใจก็ึกเสียใจจริงๆต่อไปขอทางวาจาทําได้สิ่งที่ทํายากที่สุดก็คือทางใจเอาทางใจไปควนแล็บไปเล ย, เลยแล็บไปในทางอภิสุทธ์เลยเออก็แป๊แป๊บแปบไปในทาง เห็นใครเขาเนี่ยเราไม่ไปนั่นแหะแต่ใจเราไปแล้วสามีเขาหลอ่อภรรยาเขาสวยมันก็ไปแล้วเนี่ยว่าไปแล้วเออมันก็ไปไปชูทางใจอันนี้ยากหนักขึ้นไปอีกอ่หนักกว่าที่เราพูดอีกแต่ยัอื่นมันทำไม่ได้หมดแล้วเนี่ยเราปรารถนาความสิ้นกิเลสเราต้องทําไปถึงใจไปถึงแก่กายวาจาเราก็ลุกเต้าชันลุกเต้าทานขัดข้ามกิเลสในใจตน ไม่ได้ว่าห้ามมามาแค่การกระทำหราอ ก, กายวาจานะันออ้นถึงใจตนเองอ่ะรู้มาพาดถึงใจตนเองอ้าเขามีเนื้สวยเกินไปมาด้วยเขามีสามีหล่อมาด้วยเราก็แอกไปแล้วอย่างเนี้ไปไปชุกกับเขาแล้วทางใจหรือว่าไปตำหนีิติดเตียนินทาวา่าไร้เขาไม่ทางวาจาแต่มันทางใจไปละเราก็ไปขอโทษอีก ขอโทษขอมาต่อพระพุทธพระธรรมพระสงค์พระแม่กูบาจารย์ผู้ที่เราล่วงเกินในใจไปกราบขอโทษเอต่อพระพุทธเจ้าต่อเอพระธรรมต่อพระสงฆ์เราก็ทําอย่างเงี้ยมาเรื่อยๆเพราะว่าเรารู้ตัวนี่คนอื่นไม่รู้แต่เรารู้นี่เราไม่การกระทําของเราไม่ได้ทําและวาจาไม่ทําแต่ทางใจยังมีอยู่แก่ล้วก็ไม่มีใครรู้แต่เรารู้นี่พระพุทธเจ้าเราถือว่าพระพุทธเจ้ารู้พระธรรมรู้พระสงฆ์ยุทเทพเทวดารู้ แล้วก็อย่างนี้เนี่ยกลาบขอเข้ามาละละออกไปละเอกไปละเอกไปจนให้มันเนี่ยที่เราบอกว่าให้บริสุทธิ์กายวาจาใจนี่เนี่ยจะกลายเป็นบริสุทธิ์สามนี่เนี่ยเออการกลายเป็นบริสุทธิ์สามก็เพราะว่เนี่ยมันไม่ใช่ว่าละทีเดียวได้หรอกโอ้โหใช้เวลาหลายปีแต่ในความทุกข์ยากลาบากมากเลยขัดใจตนเองเไม่เพียงแต่คิดยังไมนคิดไปได้เลยต้องรู้ต่อทานอย่างเนี้ยเราก็รู้ต่านรู้ต่อทานรู้ต่อทานรู้ต่อทานไปเรื่อยๆแล้วก็ห้าใจตนเอง ปอกันการก็พึ่ปฏิ บ, บัติธรรมให้มัิดกิเลสแต่เราก็ต้องขัดขัดมาจากข้างนอกด้วยแล้วข้างในก็ให้รู้แจ้งในธรรมมาด้วยแล้วข้างนอกก็ขัดมาด้วยเข้ามาหากาันเจา้าก็ทั้งเออมันสะอาดไปสุดทางกายวาจาใจในทุกขณะปัจจุบจันมันก็ไปคอยขอโทษขอโทษขอโทษอยู่เรื่อยๆใจมันก็เลยไม่ผิดศีลผิดธรรมมันก็เป็นความบริสุทธิ์ทางกายวาจาใจนั่นแน่ไม่ใช่ว่ามันมัน ท, ทําทีเดียวได้นะโอ้โหมันขัดมาขัดมาขัดมาขัดมาขัดมาขัดใจตนเองแค่นั้ ขัดจากข้างนอกมาแล้วข้างในก็ก็ฝึกทําด้วยฝึกปฏิบัติด้วยทั้งอศีล ส, สมาธิภาวนาเนี่ยข้างนอกก็ขัดเข้ามาข้างในก็กักษาให้แกเป็นปกติขัดฝุดไปทั้งข้างนอกข้างในจนกระทั่งมันเป็นประสานแก่ได้ทั้งข้างนอกข้างในเราตามเจา้ารแล้วถ้าสมมติการที่เราเห็นเขาทาแบบเนี้ยโอเคอย่างแรกคือเรารู้ว่ามันเปนความดีแล้วถึงอยากทําแบบเขาก็อย่างที่สองเนี่ยมันก็มีกิเลสมาอีกแล้วว่าทําเพื่อที่อยากจะได้ผลลัพธ์แบบเขาก็คือ ล่ำรวยขึ้นเงินทองไหลออกไปก็ไหลเข้ามามากขึ้นอะไรเงี้ยถ้ามันมีความคิดตรงนั้นเข้ามาอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้วถ้าครั้งหน้าเราทําบุญเนี่ยมันจะเป็นการตัดทอนบุญบารมีของตัวเองหรือเปล่าเจ้าค่ะทางเดิมไม่เหมือนกันเขาอจะไปทำเราก็ไปขัดเขาเขามีเขามีปัญญาแค่นั้นน่ะเขามีปัญญาแค่นั้นเรามีปัญญาแค่ไห น, นเขามีปัญญาแค่นั้นเขาก็ทำได้แค่นั้นน่ะไม่ใช่ค่ะหมายถึงตัวนัทเองเจค่ะตัวเราอเราก็มี ไม่ถือว่าถ้าเกิดเราอยากทําแบบเขาเราควจะต้องทําไปเกินกว่านั้นเราต้องเดินในทางทานศีลภาวนาฐานก็ในตู้ให้ออกมาจัดใจไม่ใช่ว่าต้องให้เงินให้ทองไปเดินไปวัดไอ้วันละไหวอวัยภาค้าววัดอะไรเน่ยเออเรามีสติปัญญาที่เหนือกว่าเราก็ต้องทําเหนือกว่าขึ้นไปคนมีสติปัญญาเหนือกว่าบุญบารมีก็เหนือกว่าขึ้นไปเรืยเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องไปไหว้พระก้าวัดไล่ให้ได้วันละก้าวัดก้าวัดอยู่เรื่อยๆว่าจะดีวันละก้าวองค์ก้าวองค์อะไรเงี้ยมันไหว้ที่ใจ ว่าที่ใจเราไม่ผิดศีลผิดธรรมเป็นความบริสุทธิ์สามเงินแหนะอันเล่นแหนกที่เราทําออกไปก็คือเพื่อสละออกจากใจไปสละความขี้เหนียวในใจเราก็คือว่าใครๆนํามาปรับใช้ถูกไหมเจ้าคะหลวงตานำมาฝัดใช้แก่สติปัญญาของเราเรามีสติปัญญาที่เหนือกว่ามันก็มันต้องเหนือกว่าคนอื่นไปเรื่อยๆคนเขามีสติปัญญาแค่นะั้นเขาก็แค่นั้นแหละในคนก็ต้องรวยเท่ากันหมดนะคนมีสติปัญญาในทางโลกเขาก็รู้ช่องทางทำมาหา ก, กินในทางที่ถูกต้องเขาก็รับรวยได้เขามองเห็นอะไรไเป็นเงินหมดแหนกะ แต่คนที่มีสติปัญญามันมองอะไรก็มองไม่ออกคนจะเป็นเ ง, นงนินไดยังไงแน่นว่ามากกว่านั้นหน้ากว่การให้คือเขาฉลาดที่จะมองว่าจะให้ใครด้วยค่ะคือแน่รู้สึกว่าคนที่ให้ก็มีความฉลาดในการให้แต่แตตรูจริจง<ล>รก็สาคัญคนมีส ต, ติปัญญาเนอะจะให้ทานก็ต้องมีสติปัญญานในการให้จะรักษาศีลก็ต้องทานเนี่ยทานคือการ ใ, ให้ออกไปไม่ไม่ได้เป็นการที่ว่าจะฉลาดความเอาเพราะเป็นการให้สละเราไม่ฉลาดความเอา มันเรามีเรต้องมีสติปัญญาในการให้ที่จะเป็นการให้ไม่เพื่อจะสละที่สิ่งที่เราอยากจะได้อยากจะเอาเข้ามาเราสละออกไปไม่ปัจฉนาสิ่งตอบแทนด้วการให้แบบฟันธ์เให้แบบให้เปล่าแล้วก็ให้โดยสติปัญญาว่าสมควรแก่ที่จะให้อย่างไรคนโฟกัสสถานที่ตามความสมควรแล้วก็พระเจ้าก็บอกแล้วให้กับผู้บริสุทธิ์ให้ติดเป็นสารนับประโยชน์พวเนี้ต้องมีสติปัญญาแม้ศีลน่ะ รักษาศีก็ต้องมีสติปัญญาน้ำเย็นรักษาแล้วไม่มีปัญญารับศีน่ากันเดี๋ยวก็มาขอศีนัดพระ้าไม่ทันไม่ทันจะออกจากวัดแล้วก็มีศี น, กกนเนี่ยศีนจีนศีนสาว้าไรตากันทะเลาะกันเนี่ยจะภาวนาก็ต้องมีปัญญารุ่นแต่ต้องมีปัญญาทั้งนั้นแหละไม่มีปัญญาก็เออมันก็แยกเลยไม่โอ้ก็จะบอกไปแล้วนะ แล้วตัวเองจะจะถามอะไรมีอะไรถามไหมแล้วตัวเองเอาไม้มาก่อนเมื่อกี้ไปคืนข้าไปแล้วออกมาหลังนี่ยจะถามอะไรตัวเองไอ้ของวันนี้มันถามแทนก็ไม่ได้นะเดี่ยวตัวต้องถามเองก็คือเรื่องการให้หรือก็การทําบุญไม่ต้องไปสงสัยให้แบบก่อนก็ต้องให้โดยมีสติปัญญายาไม่ยา แล้ววันนี้ยังไม่ค่อยเข้าใจอะไรเยอะมากเลยเรื่องเรื่องธรรมเรื่องเรื่องทาเรื่องศีลเรื่องภาวนาเนี่ยยังงงๆเยอะมากเลยเนี่ยไม่เข้าใจหรอกฟังซีดีเราจะเข้าใจต้องฟังซีดีตั้ ง, ตงแต่แผ่นแรกอะฟังซีดเราตั้งแต่แผ่นที่หน <dissolved> ึ่งชุดที่หนึ่งชุดที่สองมาเรื่อยซึ่งจะมาฟังในชุดปัจจุบันเนี่ยต้องตั้งใจตจาาทิฏฐานกับพระพุทธธรรมสงฆ์ครูบาอาจารย์ว่าตั้งใจจะฟังให้เข้าใจชัดๆจนถึงใจของเราอะวันละแทก ตั้งแต่แผ่นที่หนึ่งอ่ะนี่ต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่แผ่นที่หนึ่งอ่ะอธิษฐานว่าจะต้องตั้งใจฟังคําสอนเราเนี่ยให้อธิษฐานถึ ง, งพระคุณธรรมประสงค์ครูบาอาจารย์นักสือลุตาเนี่ยและบุญบารมีที่เราสร้าง ม, มาแล้วทั้งหมดเนี่ยตั้งใจที่จะต้องฟังไอ้คําสอนของเราเวลาตอนตั้งแต่แผ่นที่หนึ่งเนี่ยให้มันเข้าใจให้เกิดสติสมาธิปัญญามันเข้าใจถึงใจอธิษฐานมันเข้าใจถึงใจ ่เวลาตอนเวลาตอนเวลาตอนจะผิดศัจจ์ฟังจากไหนเราก็ค่ะในแผ่นที่ดีเคยให้ไปนัตตี้ก็เคยได้มาไม่ใช่แผ่นที่หนึ่งแผ่นที่สองอ่ะจะไปหาเออแผ่นหนึ่งแผ่นสองให้แผ่นนี้มันแผ่นนี้มันแผ่นที่ก็าเอามาจาก youtube มันแผ่นที่แผ่นที่สามวันนี้ก็ได้สามแผ่นเนี่ยฟังก็แปแผ่นหนึ่งแผ่นสองแต่อยู่ที่สามก่อนเดี๋ยวไปติดต่อพี่ๆเขาก็ได้เนี่ยข้างหลังหลังเนี่ยในอินเทอร์เน็ตก็มีไปดาวโหลดเอามาก็ได้แผ่นหนึ่งแผ่นสอง เดี๋ยวขอจากพี่เขาว่าดีติดต่อขอจะพีไปตั้งใจฟังนะ ว, ว่านี่เนี่ยังหลงหลงอยู่อ่ะัไม่อยเาใจเรื่องานเรื่องเรื่องภาวนาเนี่ยคือมันยังไม่มีปัญญาที่แตกฉานมันจะเข้าไปถึงใจเราอธิษฐานจิตแล้วว่าตัวพุ ธ, ธรรมสงค์ก่อนที่จะตั้งใจฟังนะึกึงว่าพุทธวัฒระสงค์คุณดําดาคุบาอาจารย์ถึงรุตตาและถึงบุบริกของเราทั้งหมดามารวมกันขอให้ฟัง ซีดีเนี่ยจะขอก็เป็นแบบ น, นี้ต้นไปจะขอฟังทีดีวาลลตอนวัลลตอนตั้งแต่แผ่นที่หนึ่งแผ่นที่สองเอาแผ่นเนี้ยถือแผ่นที่สามก็แล้วกันมันมีที่สามมันมีจุดที่หนึ่งที่สอ ง, อ แ, สองแล้วก็อพราจารย์ฝากไว้นะก็ไม่ต้องฝาฟั ง, ฟงอันนี้กัแล้วก็มาฟังแผ่นนี้เลยสามแผน่นแต่วาลลตอนตั้งใจสามตั้งแต่แตกแป๊มาเลยให้เกิดความเข้าใจชัดเจนแล้วก็จะปิดจดจารแล้วเดี๋ยวพอฟังจบงหมดทั้งหมดแล้วเดี๋ยวมาหาลายจริง คือตอนแรกจะถามแทนนี้นะคะแต่โอเคเดี๋ยวให้ทําตามที่หลวงตาบอกก่อนฟังจบเมื่อไหร่แล้วมาหาทีนะต้องให้มีสมาธิในการฟังนะฟังให้เข้าใจแล้วกลับมามาอธิบายให้ฟังว่ามันเป็นยังไงอาจารย์ทีฟังมาจบแผนหนึ่งมาหาก็ได้ฟังจบหมดต้องแผนแล้วมาหะตอนนี้หลวงตาจะอยู่ที่ไหนล่ะคะก็ดูในไลน์ก็ได้เอาเข้าไปในกลุ่มไลน์ก็ได้กลุ่มสามันยังไม่เต็มเราค่อยดูติดตามความเคลื่อนไหวอยู่ที่ไหน พอจะแผนหนึ่งแล้วก็ไปตามหาเราก็ของแนดก็ตามนี้จะขอเดี nah, ๋ยวจุพิยาไปรักษาตายวาตาใจถูก <oraz> ทิ้ไฟยิงทิ้งไฟเราขอเข้ามาตามแผนนั้นน่ะเภาพไปแล้วก็ขอเข้ามาขอเข้ามาก็จริงๆเรื่องทานตอนนี้นะทำเยอะมากนะเจ้าคะหลวงตาเพราะว่าต้องทําด้วยสติปัญญาไม่ใช่ถูกก็หลอกนะทําเพื่อสลั่งกิเลสออกจากใจสลั่งสอบก่อรีบีบเอาจริงจริงนะทำเพราะว่า ประจบหมอที่หลวงปู่บอกนันมาเลยเจ้าค่ะว่าให้นัดทากับเด็กกับคนแก่ให้เยอะๆอย่าทำแค่กับสัตว์เพราะว่านัดบางคนชอบทํากับหมากับแมวแต่คนไม่ชอบทํากับมนุษย์เท่าไหร่เพราะรู้สึกว่ามนุษย์ดูแลตัวเองได้แต่สัตว์จะดูแลตัวเองไม่ได้นัดชอบคิดอย่างนี้นะคะแล้วอยู่วันนั้นหลวงปู่ก็บอกนันมาไว้ทํากับกับเด็กกับคนแก่นัดก็เลยไปกับเขาพอดีเพราะว่ามันมีเวลาที่ตรงกันนัดก็เลยพยายามอยู่ตรงตาแต่ก็จริงๆแล้วบางทีมันก็มีเอะอ่ะ บางทีอะไรเงี้ยในการกระทําในการให้กับคนที่นั้นรู้สึกว่ามาหลอกเราอะไรเงี้ยอย่างเช่นเขาบอกว่าอย่างล่าสุดไปดอยสุเทพอะไรเงี้ยนะคะก็หลอกแล้วก็เออไม่ทําที่ไหนแล้วมันไม่มีปัญญาโดนเขาหลอกเองอันเนี้ยตอบแต่เรามไม่ได้ให้น ะ, น ะ, ะสะไม่ใช่เาไมมีปัญญาไม่ใช่ถูกก็หลอกทําทานคือว่าเราทําได้ใจทําไปไม่หวังสิ่งตอบแทนแต่ต้องมีสติ ป, ปัญญาไม่ใช่ว่าทำเพราะถูกเขาหลอกเนี่ยเขาไหปรราหลอกกันมีเวลารามหลอกกันนี่นะ พาพาพระตะปอไปเฝ้าถ้าท<ด>ําบุญแล้วโดนหลอ ก, ลอก ไ, ได้บุญไหมฮะทําบุญแบบโดนหลอกได้บุญไหมเจ้าคะคนหลอกไม่คนหลอกเขาไม่ตกนรกเอเวจีเลยแหละแต่คนถูกหลอกถ้าตัวใจมันเป็นมันทําได้ในความบริสุทธิ์ใจมันก็อาจจะได้บุญอา่ไอาไปอริษาบนเจดีนั่นอะไรขึ้นเจดีได้แล้วผิดพลาดอะไรอีกก็ขอเข้ามาขอเข้ามาเลยไปทําอย่างตาว่านะเนี่ยขอใหมีความสุขกวเ่านี้